และพระเถระอื่นๆจะได้ฟังธรรมบ้างเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ไปด้วยเหตุผลว่าเมื่อไปแล้วก็ต้องไหว้เมื่อก้มลงไหว้หลังก็จะเจ็บหากต้องนั่งบนพื้นเข่าก็จะด้านผ้าก็จะเปื้อนจะเก่าเมื่อมีการพูดคุยกันก็ต้องคุ้นเคยแล้วก็ต้องนิมนต์ต้องถวายข้าวของทรัพย์ทั้งหลายก็จะเสื่อมไป